จะมุ่งหวังพึ่งคุณสกุลชาติก็ไม่อาจช่วยสุขดับทุกข์ขันแต่มันดีรวยทรัพย์นับอนันต์พิบัตินั้นก็กลับหายวอดวายเองมงคลที่สามสิบเอ็ดตปโจะการบําเพนตบะ ตั้งแต่การก่อนพุทธกาลพวกพราหมณ์ถือว่าไฟเป็นเครื่องเผาผลาญสิ่งที่ชั่วช้าลามกให้หมดสิ้นไปจะทำเพลีกรรมบวงสรวงถึงผู้ใดในสำปรายภพภ์ก็ถือว่าไฟเป็นทูตสื่อสารได้จึงถือกันว่าไฟมีคุณอันยิ่งใหญ่การกราบไหว้บูชาไฟเป็นการกุศลบางทีถึงกับทรมานตนย่างด้วยไฟ เพื่อให้กิเลสเหือดแห้งก็มีและที่เป็นพิธีของอิสระชนที่สำคัญกับการฆ่าคนและสัตว์บูชายันก็เนื่องด้วยความนับถือบูชาไฟและทั่วไปทุกศาสนาที่ถือว่าไฟเป็นเครื่องสักการบูชาสิ่งหนึ่งจึงนิยมการบูชาด้วยทูปเทียนและประทีปสําหรับในพระพุทธศาสนาแสดงว่า การให้ประทีปหรือวัตถุอันเกื้อกูลให้เกิดแสงสว่างชื่อว่าการให้จักสุหรือให้ปัญญาเพราะไฟสามารถที่จะส่องให้แลเห็นรูปในที่มืดแต่ด้านในข้อที่ว่าเผาผลานบาปทำหรือว่าย่างกิเลสว่าเป็นเหตุทรมานตนให้เดือดร้อนให้ตนร้อนเปล่าลาสิ่งที่เผาผลานบาปทำหรือกิเลสคือ คุณธรรมที่เป็นค่าศึกแก่กันคุณธรรมนั้นๆสามารถจะเผาผลาญสิ่งที่ชั่วช้าลามกให้หมดไปจึงใช้นามว่าตบะอันแปลว่าสิ่งอันเผาผลาญเป็นชื่อของคุณธรรมหลายประการแต่ในที่นี้ประสงค์เอาความสำรวมอินทรีย์กับความเพียรความสำรวมอินทรีย์ได้ชื่อว่าตบะ ก็เพราะว่าเป็นเครื่องเผาผลานอภิชาและโทมนัสให้หมดไปส่วนความเพียนเล่าก็เพราะเผาความเกียจคร้านความสำรวมอินทรีย์และความเพียรอันบุคคลผู้ไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์เมื่อพบอารมณ์ที่ดีที่พึงพอใจก็ทะเยอทะยานอยากได้จนเกินควรนั่นเป็นส่วนแห่งอภิชาคือความละโมบ ขึ้นชื่อว่าความละโมบแล้วใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ก็เห็นมีกันออกเดินไม่น้อยนั่นก็เพราะขาดความสำรวมอินทรีย์คือไม่คุมสติถ้าใช้สติยังให้รอบครอบแล้วความปรารถนาก็จะมีแต่พอควรไม่จัดว่าเป็นส่วนแห่งความโลภอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ ผู้ไม่สำรวมย่อมดิ้นรนเพื่อจะพ้นความกระวนกระวายความเดือดร้อนใจนั่นเป็นส่วนแห่งความโทมนัสถ้ามีสติก็จะบำบัดความร้อนใจให้เบาลงด้วยปรงเห็นว่าเป็นคราวที่จะต้องประสบส่วนความปรารถนาจะพ้นก็ไม่ใช่ของต้องห้ามแต่ไม่ถึงดิ้นรนเดือดร้อนให้รู้จักผ่อนแต่พอควรทำความเพียรเท่าที่ ผู้สำรวมอินทรีย์อาจทำได้เหตุนั้นจึงจัดความสำรวมเป็นตะบะเครื่องเผาผลานอภิชาและโทมนต์ให้สิ้นสูญอันหนึ่งความสำรวมอินทรีย์จัดเป็นองค์ศีลเพราะศีลจะมีได้ก็ต้องอาศัยความสำรวมแต่ยังต้องมีหิริและโอตตปะเป็นที่อิงเมื่อขาดหิริโอตตปะก็หมดปัดจจัยที่จะสำรวม เพราะเมื่อไม่รู้จักอายไม่รู้จักเกรงความสำรวมจะมีได้อย่างไรเหตุนั้นบุคคลผู้เห็นผลแห่งความสำรวมจึงควรอบรมหิบรโอดตั ป, ปะไว้ให้เป็นพื้นรองเพื่อจะประคองความสำรวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการงานที่บุคคลกระทำไม่ลุล่วงสมความมุ่งหมายทำให้คลาดจากประโยชน์ มักจะเป็นเพราะโทษที่มีความเกียจคร้านเข้าครอบงาการงานอย่างเดียวกันถ้าทำด้วยความอุตสาหะวิริยะไม่ถอยหลังก็มีแต่จะลุล่วงสมดังความมุ่งหมายความเกียจคร้านเป็นอันตรายแห่งการงานตลอดจนการอบรมกุศลจริยา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสแสดงอุบายของคนเกียจคร้านไว้8สถานได้แก่ 1. เมื่อเริ่มจะทําการงานเขาจะคิดว่าเราจะต้องทํางานเมื่อทํางานกายก็จกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราจะต้องพักผ่อนนอนเอากําลังเสียก่อน 2. เมื่อทํางานเสร็จแล้วเขาคิดว่าเราเหนื่อยมาม า, มากแล้วต้องนอนเสียก่อนส เมื่อจะเดินทางเขาคิดว่าการเดินทางนั้นต้องออกกำลังเหน็ดเหนื่อยเราต้องนอนพักเอากำลังเสียก่อน 4. เมื่อเดินทางเสร็จแล้วก็คิดอย่างเดียวกัน5เมื่อรับประทานอาหารน้อยไม่พออิ่มเขาก็อ้างว่าไม่มีกำลัง 6. เมื่อรับประทานอาหารมากก็ว่าอึดอัด 7. รู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อยก็ว่ากลัวโรคกำเริบ8 เมื่อหายเจ็บแล้วก็ว่ายังไม่มีกำลังหรือกลัวโรคจะกำเริบเหล่านี้ล้วนเป็นอุบายของคนขี้เกียจส่วนคนที่มีความเพียรมีแต่กลัวเวลาจะเสียไปและตั้งใจไว้อยู่เสมอว่าสิ่งใดจะพึงรู้ได้ด้วยเรียวแรงความเพียรและความบากบั่นของชาติชายยังไม่ลู้สิ่งนั้นและจกไม่หยุดความเพียรเสียเลย เมื่อได้ตั้งใจลงเช่นนี้แล้วมีอะไรบ้างที่จะไม่สำเร็จนอกจากสิ่งที่เหลือวิสัยความเพียนเป็นเครื่องเผาความเกียจคร้านให้หมดไปจึงได้ชื่อว่าตบะตาบะที่เป็นส่วนสำรวมอินทรีย์นั้นมีหน้าที่ในการกำจัดความโลภความน้อยใจที่เป็นส่วนของความเพียนนั้นมีหน้าที่ในการกาจัดความเกียจคร้าน จึงจัดว่าเป็นฐานที่ตั้งแห่งความเจริญประการหนึ่งการบําเพ็ญตบะเป็นเหตุเผาพลานอภิชาและโทมนต์ตลอดจนความเกียดคร้านให้หมดสิ้นไปการประพฤติเช่นที่กล่าวมานี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอุดมมงคลคนพ้นทุกได้เพราะความเพียรจงมีความพยายามในหน้าที่ของตนคนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อมถ้าประพฤติพรหมจาร์นับว่าเลิศแสนประเสริฐดีนักในชาตินี้ปฏิบัติตามธรรมจิตใจดีพ้นราคีมีสุขเป็นมงคล มงคลที่3 2พรหมจริยันจะการประพฤติพรหมจันทร์พรหมจันทร์แปลว่าความประพฤติอันประเสริฐเป็นชื่อแห่งธรรมเป็นอันมากในที่นี้เป็นชื่อแห่งสมณธรรมคือการงดเว้นจากการครองเรือนพรหมจันทร์ไม่ใช่ความประพฤติของขลือหาแต่จัดว่าเป็นความสุขสำหรับผู้ประพฤติเพราะไม่ต้องกังวลห่วงใ ย, ยให้รุงรังอย่างชาวบ้าน ไม่ต้องทุกข์จากเหตุเพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักใกล้จัดว่าเป็นอุบายที่ใช้เปลื้องทุกข์ได้อีกทางหนึ่งไม่ใช่เป็นความสุขอย่างชุ่มชื่นฉุนเฉียวเผ็ดร้อนแต่เป็นความสุขอย่างเย็นเย็นแต่ถ้าผ่อนความประพฤติสําหรับค้าเลือหัดก็ได้ในข้อที่ว่าสัทธาและสันโดษคือยินดีเฉพาะในภรรยาของตนไม่เป็นคนมากมากด้วยคู่ครอง ในมหาธรรมปาลชาดกท่านจัดว่าเป็นพรหมจันทร์สำหรับขลือหัดแต่ว่าในที่นี้ได้จัดไว้ในข้อของการสมเคราะห์ภรรยาพรหมจันทร์จึงเป็นคู่มืออบรมผู้บําเพ็ญให้เป็นคนดีที่ท่านแสดงไว้ในมังคลัท ธ, ธีปณีเอาไว้ดังนี้ทานเจตนาตั้งลงถือทานเป็นจริยวัดตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ เวยยวัจจะมีใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือในกิจการของคนอื่นซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์เบนจศีลการรักษาศีลห้าเช่นเว้นจากการฆ่าการทำร้ายร่างกายของคนและสัตว์เป็นเหตุอัปปมัญญาเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบคาในบุคคลและสัตว์ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง เมถุนวิรัตงดเว้นจากการเสพเมถุนสทารสันโดตยินดีอยู่ในภรรยาสามีของตนวิริยะตั้งมั่นภาคเพียรอย่างแรงกล้าองค์อุโบสถรักษาอุโบสถถศีนอบรมตนให้ดีงามอริยมักมีองค์แปดเป็นทางสายกลางเป็นความประพฤติ ท, ที่ประเสรศิฐ ที่จะทำให้ขึ้นถึงความเป็นยอดในาศาสน า, สาศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติศาสนาจัดว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจารย์สมณธรรมความประพฤติกิริยาวาจาใจให้สงบบุคคลผู้เว้นจากกิจการครอบครองเรือนสามารถจะทำกิจของคนกล้าได้อย่างเด็ดเดียวเพราะไม่มีห่วงใย เป็นปัจจัยทำให้บําเพ็ญประโยชน์ได้เต็มที่ดังที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าภาราวาดนี้เป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีอันล่อใจให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาการบรรพชาเป็นช่องว่างห่างจากอารมณ์เช่นนั้นเป็นทางที่จะได้บําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ทำชีวิตให้มีผลไม่เป็นมันเป็นเหตุกำจัดกิเลสให้ขาดจากจิตสันดานเป็นเหตุกำจัดกิเลสให้ขาดจากจิตสันดานโดยไม่เหลือและยิ่งกว่านั้นความสลัดปัดกังวลเสียได้ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาชักพาให้แลเห็นอัถ ธ, ธรรมแจ่มแจ้งตลอดจนถึงได้ปัญญาอย่างสูงสุดเหตุนั้น พระพุทธองค์ตรัส พ, พระมจรรย์เป็นมงคลเครื่องเจริญเพราะจะเป็นทางดำเนินขึ้นสู่มงคลอย่างสูงในลำดับต่อไปท่านจำแนกแจกทุกไว้สิบเอ็ดชื่อแห่บอกบอกเกิดทุกเสร็จหมดสิ้นใครหวังสุขจงผดเด็จทุกนั่นดับแลทางแปดดับทุกดิ้น แน่แท้อย่าชะงนมงคลที่สามสิบสามอริยสัจจานะัศนังความเห็นอริยสัจความเห็นอริยสัจคือแจ่มแจ้งด้วยปัญญารู้จักของจริงอันประเสริฐที่ใครใครค้านไม่ได้ อริยสัจมีมี4ประการได้แก่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์อุบายที่จะดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสประการดังกล่าวท่านจัดว่าเป็นปัญญาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะสามารถจะนำบุคคลให้พ้นจากภูมิปุุชนดำรงตนอยู่ในภูมิมีอริย แต่เมื่อได้ใช้การพิจารณาโดยแยบคายก็พอจะผ่อนให้สมบูรณ์แก่ภูมิปฏิบัติได้อยู่ทุกเป็นของที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็หนีให้พ้นไม่ได้ทุกอันเป็นของประจำสังขารคือชาราพยาธิมรณนะแม้แต่ท่านผู้พิเศษที่ว่าตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาด เป็นพระอระหันต์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับทุกข์เหมือนกันส่วนชาติไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเพราะว่าบุคคลจะรู้เดียงสารู้จักสุขรู้จักทุกข์ก็เลยมาเสียแล้วแต่ผู้ใช้ปัญญาพิจารณาจักแยเห็นว่าเป็นต้นทางแห่งทุกข์ทุกที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ไม่ใช่ของที่จะพึงแก้เพราะอยู่นอกอนานาจ ส่วนในอรยิยสัจข้อที่สองกล่าวถึงเหตุที่ให้เกิดทุกข์ชี้เอาตัญหาคือความปรารถนาที่อย่างแรงจนถึงทยานหรือดิ้นรนนั้นพึงเข้าใจว่าเหตุให้เกิดทุกข์ใจอันเป็นทุกข์อีกชนิดหนึ่งทุกข์ใจคือความเศร้าโศกน้อยใจแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักใกล้ และความปรารถนาไม่สมหวังเป็นต้นที่เกิดขึ้นเพราะความทยานหรือดิ้นรนถ้าเว้นความปรารถนาเสียก็สงบลงได้ตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านแสดงไว้สามประเภทได้แก่หนึ่งมีลักษณะให้ปรารถนารักใคร่ชอบใจอารมณ์ที่น่ารักใคร่ต่างๆเมื่ อ, อยังไม่ได้ก็ปรารถนาจะได้ เมื่อได้แล้วก็ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักพอ 2. มีลักษณะให้ปรารถนาในความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งทำบุคคลให้สมหวังในส่วนหนึ่งแต่ก็ไปติดอยู่อีกส่วนหนึ่งหรือความปรารถนาให้อารมณ์นั้นๆมั่นคงไม่แปรปรวนตลอดจนถึงปรารถนาให้ดำรงคงชีวิตอยู่ยืนนานด้วยไม่อยากจะตายเสีย 3. ม, มีลักษณะให้ดิ้นรนที่จะพ้นไปจากอารมณ์ที่ตนไม่พอใจหรือปรารถนาจะให้อารมณ์นั้นสูญสิ้นไปหรือเมื่อเห็นทุกข์เป็นของเหลือทนก็ปรารถนาที่จะตายเสียเพื่อให้พ้นไปด้วยเข้าใจว่าตายแล้วก็พ้นทุกข์รวมตัณหาสามประเภทนั้นก็คือปรารถนาละโมบโลภไม่รู้จักพอหนึ่ง ปรารถนาฝืนธรรมดาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นๆมั่นคงถาวร1ปรารถนาฝืนธรรมดาเพื่อจะพ้นไปจากสิ่งที่ไม่พอใจหนึ่งบุคคลผู้ตกอยู่ในคติแห่งตันหายังละเสียไม่ได้ตราบใดก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับทุกตราบนั้นฝ่ายบุคคลผู้ไม่ตกอยู่ในคติของตันหาแม้จะได้ประสบทุกย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดา แล้วปราศจากฝืนก็ชื่อว่าไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ทำจิตให้เกี่ยวข้องอยู่กับทุกข์เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นอันจะห้ามเสียว่าอย่าปรารถนาเลยก็ไม่ใช่ของง่ายมีอุบายก็แต่เพียงคำปรารถนาเป็นไปาตามทํานองครองธรรมคือไม่ถึงกับละโมกหรือทยานดิ้นรนจนเกินฐานะ สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงแนะนำสำหรับดำเนินจิตที่จะไม่ให้เกี่ยวข้องอยู่กับทุกข์ไว้แปดทางคือหนึ่งให้ใช้ปัญญากำหนดจากเหตุผลเช่นกำหนดว่าทุกข์มาจากเหตุอันนี้สุขมาจากเหตุอันนี้หรือกำหนดว่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งสุข 2. ดำริชอบคือไม่ห่วงใยในอารมณ์ที่รักใคร่ จนถึงเป็นไม่อาจพลากจากไม่คิดพยาบาทผูกเวรผู้อื่นมีเมตตากรุณาในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปเห็นสุขเห็นทุกข์ของเราของเขาสามไม่เบียดเบียนตัดรอนประโยชน์ของผู้อื่นหรือกระทบกระทั่งน้ำใจด้วยวาจาสี่ไม่เบียดเบียนชีวิตทรัพสมบัติหรือประเวณี ห้าประกอบการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะหกเป็นคนมีความบากบันเพียรพยายามเพื่อจะละชั่วประพฤติดีเจ็ดมีสติรอบครอบแปดคุมจิตใจให้ดิ่งลงเป็นหนึ่งไปในทางที่ชอบไม่ให้อารมณ์ภายนอกมาขัดขวางเมื่อได้ดำเนินจิตตามทางทั้งแปดนี้ ก็พอจะแบ่งเบาตันหาความดิ้นรนหรือทยานที่เป็นฐานแห่งความทุกข์เมื่อทุกคนปรารถนาเบาลงทุกข์ก็เบาลงเมื่อถึงสงบทุกข์จึงสงบเป็นเหตุให้ล่วงพ้นจากสังสารทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงความกาหนดพิจารณาเห็นดังนี้จัดว่าเห็นอริยสัจโดยบรรยายผ่อนคลายลงควรแก่ภูมิแห่งความปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติโดยยิ่งยวดขึ้นไปก็สามารถที่จะประสบผลเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือนิพพานพระพุทธองค์จึงทรงตรัสการเห็นอริยสัจเป็นมงคลอันสำคัญของชีวิตประการหนึ่งบุคคลหวานพืชเช่นใดย่ยอมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว พระนิพพานคือหลักของชาวพุทธให้จิตหลุดจากมารที่มุ่งหมายละกิเลส ต, ตัณหาปิดอบายไม่กลับกลายพ้นทุกข์เป็นมงคลมงคลที่สามสิบสี่นิพพานะสัจฉิกิริยาจะ ความทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานความทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นผลที่สําเร็จมาตั้งแต่ความเห็นอริยสัจจัดเป็นมงคลอีกประการหนึ่งคําว่านิพพานแปลว่าดับคือดับเย็นปราศจากกิเลสอันเป็นเครื่องร้อนกิเลสท่านเปรียบว่ามีอาการประดุดไฟเพราะลนจิตสันดานให้เล่าร้อนอยู่เป็นนิด เมื่อปราศจากกิเลสแล้วจิตก็เย็นสนิทอีกประการหนึ่งแต่เดิมได้แปลกันมาว่าหาเครื่องร้อยรัดไม่ได้อธิบายว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเกี่ยวข้องไว้ไม่ปล่อยให้เป็นอิสรภาพบุคคลผู้มีความกังวลห่วงใ ย, ยไม่อาจไปไหนได้โดยสะดวกฉันใดบุคคลผู้ถูกกิเลสร้อยรัด ก็ไม่เป็นอิสรภาพแก่ตนฉันนั้นนิพพานมีสองอย่างอย่างหนึ่งได้แก่ความดับกิเลสของท่านผู้ยังดำรงชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาธิเศทที่ได้แก่พระอรหันตผลนำบุคคลผู้บรรลุให้เป็นพระอรหันต์อีกอย่างคือความดับของพระอรหันต์นั้นเป็นที่สุดไม่มีชาติไม่มีพบอีกต่อไป นิพพานที่มุ่งหมายในที่สุดแห่งความปฏิบัติไม่ใช่แต่ในพระพุทธศาสนาแม้ในศาสนาอื่นก็มีความมุ่งหมายอันเป็นที่สุดแห่งความปฏิบัติเหมือนกันทั้งนั้นต่างแต่ความเข้าใจเป็นคนละอย่างนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดลึกซึ้งยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆแต่จะกล่าวโดยย่อ ก, ก็คือพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่มีทุกข์เจือปนเลยและเป็นสุขที่มั่นคงไม่คืนคลายแต่จะสําเร็จได้ก็ด้วยการทําตนให้ปราศจากกิเลสอย่างเด็ดขาดแม้ผู้ปฏิบัติยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานเมื่อได้ปฏิบัติเพียงเบื้องต้นหรือท่ามกลางดับความโลภความโกรธความหลงลงได้ในขณะใดท่านก็กล่าวว่าได้ดื่มรสพระนิพพานในขณะนั้นเพราะเป็นรสอันเดียวกัน จะต่างกันก็แต่ดับสนิทหรือดับไม่สนิทเท่านั้นอาทิความโกรธเกิดขึ้นก็มีความเร่าร้อนเมื่อความโกรธนั้นดับลงเสียได้ก็ย่อมมีความเย็นเป็นผาสุขแม้แต่กิเลสอย่างเดียวดับลงไปก็ยังเป็นสุขแล้วถ้าดับกิเลสได้หมดจนสิ้นเชิงแล้วจะเป็นบรมสุขอย่างยิ่งยวดสักเพียงไหน พระนิพพานจึงมีแต่ความสุขล้วนไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นผลที่เราท่านต้องการด้วยกันทุกคนเพราะเป็นสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าดังพระบาลีรับรองว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขและนิพพานยังหมายถึงแดนที่ว่างดังพระบาลีรับรองว่านิพพานังปรมังสุญญัง นิพพานเป็นแดนว่างอย่างยิ่งนิพพานที่ว่าว่างก็คือจิตที่ถึงนิพพานเป็นจิตที่ว่างจากโทษทุกข์กิเลสซึ่งสงัดรื่นรมร่มเย็นเป็นที่สุดด้วยเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอันล้ำเลิศประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา อันคนชั่วใช่จะชั่วเพราะคำติหากตนริทำชั่วมัวมองผลถึงคนดีใช่จะดีที่ยอยนแต่ศพผลดีล้ําเพราะทําดีมงคลที่ส5พุทธศะ โลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปติจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมโลกธรรมคือธรรมสำหรับโลกที่ทำจิตปุุชนให้แปรปรวนชักให้เหิมไปตามบ้างชักให้เหี่ยวแห้งใจบ้างในอัฏฐกานิบาตอังคุตระนิกายปรากฏพระพุทธดำ ร, รัสที่เกี่ยวกับโลกธรรมว่าภิกษุทั้งหลาย โลกกระทำแปดย่อมวนเวียนติดสอยห้อยตามชาวโลกและชาวโลกก็วนเวียนหมุนตามโลกกระทาแปดโลกกระทำแปดเป็นฉนยัยนี่แน่ภิกษุโลกกระทำแปดคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกโลกกระทำแปดนี้เองต้องวนเวียนติดสอยห้อยตามชาวโลกแม้ชาวโลกก็วนเวียน หมุนตามโลกกระทำแปดจำแนกโลกธรรมเป็นสองฝ่ายคือผลดีและผลร้ายผลดีซึ่งเรียกว่าอิทธารมคือได้ลาบได้ยศได้รับสรรเสริญได้ความสุขเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงใจเกิดแต่การทำดีเป็นต้นเหตุผลร้ายซึ่งเรียกว่าอนิธารมคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาสุขเหล่านี้ เป็นสิ่งไม่พึงใจเกิดแต่การทำชั่วเป็นต้นเหตุโลกธรรมเหล่านี้ครอบงาไม่เลือกหน้าพระอริยะหรือปุทุชนก็ถูกกระทบด้วยกันทั้งนั้นแต่พระอริยะท่านไม่หวั่นไหวส่วนปุทุชนย่อมหวั่นไหวบุคคลผู้มีปัญญารู้เท่าไม่ปล่อยใจไปตามในฝ่ายผลดีบุคคลผู้ได้ลาบได้ยศได้รับสารเสิรและบริบูรณ์ด้วยความสุข แต่ไม่มีสติเหนียวรั้งบังคับใจทําให้ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายคนผู้มีสติไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมยับยั้งชั่งใจแต่พอควรต่างกันอย่างไรในฝ่ายผลร้ายบุคคลผู้เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือรับทุกข์แล้วไม่มีสติเดือดร้อนเพียงไรฝ่ายผู้มีสติยับยัง้งรู้จักอดกลั้นผ่อนผัน ให้ตนเบาทุกข์ขึ้นเพียงไรในทางธรรมท่านให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้แล้วไม่ยินดีในส่วนที่น่าปรารถนาแต่ยินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนา จิตที่ถูกโลกกระทกระทบแล้วไม่หวั่นไหวคือจิตที่ไม่ยุบลงและไม่ฟูขึ้นไป ต, ตามอารมณ์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกข์ถูกต้องย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงคือยินดีหรือเสียใจออกนอกหน้าความเป็นเช่นนั้นย่อมสำเร็จมาจากจิต เมื่อเราปฏิบัติต่อโลกธรรมตามพระดำรัสที่ทรงสอนจนรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นอุบายให้พ้นจากทุกภยัยอันตรายทั้งภายนอกและภายในด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตของผู้ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวเป็นมงคลอันประเสรศิฐสติกำหนดลมหายใจเข้าออก ผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่หวั่นไหว